สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนัยทะกรุ่นชอบเล่าคลิปนี้ก็จะขอยกเรื่องราวจากท่านสมาชิกที่ได้กรุณาแบ่งปันและแชร์มาให้นะครับและก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านนะครับที่ได้กรุณาแบ่งปันมาให้จริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะครับผมก็จะทยอยถ่ายทอดออกไปนะครับถ้าหากว่ามันช้าบ้างอะไรบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ตอนนี้เราไปฟังเรื่องราวที่ส่งมาจากคุณพงพัฒน์กันก่อนดีกว่าครับเรื่องราวของคุณพงพัฒน์ก็มีอยู่ว่า นี่คือเรื่องราวที่น้าของผมได้เล่าให้ฟังย้อนไปประมาณเกือบ20ปีที่แล้วใน ต, ตอนนั้นน้าของผมอาศัยอยู่ที่อำเภอศรสีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทยัยแต่ก็อยู่ห่างจากตัวอำเภอมากจะนับว่าอยู่ในป่า ก, กันเลยก็ว่าได้โดยในสมัยนั้นป่าและสัตว์ป่าก็ยังถือว่ามีอยู่มากมายชุกชุมโดยเฉพาะหมูป่าเก้งกวางหรือแม้กระทั่งเสือปกติแล้วชาวบ้านในแถบนั้นก็จะมีอาชีพทำนาเป็นหลัก แต่ก็เป็นเพราะว่าอยู่ติดป่าไม่ยามว่างเหม้นจากการทำนาก็จะพากันเข้าป่าล่าสัตว์และก็หาของป่ากันโดยที่แต่ละบ้านนั้นก็มักจะมีการเลี้ยงสุนัขไว้ด้วยกันหลายตัวเพื่อได้อาศัยพวกมันเป็นผู้ช่วยในยามต้องล่าหมูป่าโดยส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านแถบนั้นก็จะมีปืนแก๊ปซึ่งประดิษฐ์ขึ้นใช้เองเป็นอุปกรณ์หลักในการล่าหรือ ย, ยิงสัตว์ป่านั่นเองและเมื่อต้องเข้าป่าก็จะพาพวกสุนัขไปด้วยประมาณ 7-8 ตัว ไม่ยิงหมูป่าได้หรือเมื่อเจ้าหมูยังไม่ตายในทันทีเจ้าฝูงสุนัขที่พาเข้าไปนั่นแหละมันก็จะช่วยกันรุมกัดแล้วก็ช่วยกันต้อนไม่ให้หมูตัวนั้นหนีไปได้ไกลการเข้าป่านั้นบางทีก็ต้องเข้าไปอยู่ติดต่อกันหลายๆคืนมีการนอนค้างอ้างแรมกันในป่านาะผมยังเล่าให้ฟังอีกว่ากฎของการเข้าป่าก็จะมีข้อห้ามอยู่หลายๆข้อเช่นห้ามเอาชรอตักน้ําในแอ่งน้ําดื่มหรือถ้าก่อกองไฟ ก็ห้ามนั่งบนเฟืนหรือขอนไม้ที่ยื่นออกมาจากกองไฟไม่เช่นนั้นแล้วตกดึกได้เจออะไรดีดแ น, แน่สิ่งที่อาจจะเจอก็คือพวกผีโป่งผีก้องกอยที่สถิตยอยู่ในป่าบริเวณนั้นจะเข้ามาทําร้ายหรือดูดกินเลือดเวลาเราหลับโดยการมาของผีโป่งหรือผีก้องกอยจะมาตามยอดไม้จากต้นนั้นมาต้นนี้ใกล้เข้ามาเรื่อยเรและเมื่อมันมาถึงมันก็จะฉี่ลงบนกองไฟที่เราก่อไว้และเมื่อไฟในกองนั้นมอดลง ความมืดบิดเข้ามาปกคลุมบรรดาผีโปูก็จะพากันลมกัดตามนิ้วเท้าและนิ้วมือหรือคอเพื่อดูดเลือดเฉาขึ้นมาก็นอนตายตัวแข็งทื่อไปบ้างก็มีนอกจากชาวบ้านจะล่าสัตว์แล้วก็ยังหาของป่ากันดีเช่นหวายกล้วยไม้ป่าสมุนไพรเป็นต้นและเมื่อเข้าป่าไปหากได้พบอะไรไปแปลกและผิดธรรมชาติแล้วก็ห้ามทักเพราะว่าถ้าเกิดไปทักขึ้นมาเมื่อตกดึกป็นได้เจอเรื่องเดือดร้อนแน่แน หนเช่นเรื่องราวที่นากับผมได้ยกเป็นตัวอย่างและเล่าให้ฟังเคยมีพ่อลูกอยู่คู่หนึ่งเข้าไปในป่าไม่ไกลาจากหมู่บ้านนักจุดประสงค์ก็คือเข้าไปตัดหวายไปขายในตลาดในตัวอำเภอทั้งคู่มุ่งหน้าเดินเข้าป่ากันไปเมื่อไปถึงยังจุดหมายก็ได้ผ่ากันตัดหวายโดยกองไว้เป็นหอบหอบแต่แล้วจูๆ่ๆระหว่างที่ตัดหวายกันอยู่นั้นจฉนุ่มลูกชายก็ได้ไปเจอกับสิ่งประหลาดเข้าสิ่งที่ฉนุ่มได้ไปเจอนั้นก็คือปลากั้งขอขยายความนิดหนึ่ง ปลากั้งมีลักษณะคล้ายกับปลาช่อนแต่ตัวจะสั้นๆป้อมๆกว่ามีครีบสีแดงและลำตัวมีหลายจุดซึ่งจริงๆแล้วก็คงไม่ใช่เรื่องที่แปลกประหลาดถ้ามันอยู่ในน้ำแต่ปลาเจ้ากรรมตัว น, นั้นดันมาดิ้นดุกดิก ๆ, ๆิอยู่ในรูตุน ท, ทั้งที่รูตุนนั้นก็อยู่บนเนินห่างจากลําห้วยหลายสิบวาเมื่อเจ้าหนุ่มลูกชายได้เห็นก็รู้สึกแปลกใจก็เลยร้องเรียกพ่อแล้วก็พูดว่าพ่อพ่อมาดูอะไรนี่แปลกจังเลยหน้าขำอะ่ะ ปลากร่างอะไรไม่รู้ไปอยู่ในรูตนุนเมื่อพ่อได้ยินดังนั้นก็สะดุ้งแล้วก็ยังรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีอีกด้วยแกเลยบอกกับลูกชายว่าเรากลับกันดีกว่าลูกแต่ฝ่ายลูกชายกลับพูดว่าจะรีบกลับทําไมล่ะพ่อดูหวายแถวนี้สิโอ้โหไม่ยังมีให้เราตัดอีกมากเลยตัดให้พอก่อนแล้วค่อยกลับก็ได้เมื่อได้ฟังคําตอบอย่างนั้นจากลูกชายทางฝ่ายพ่อก็คิดว่าและตรงที่ที่เรามาตัดหวายกันมันก็ไม่ได้อยู่ห่างจากหมู่บ้านมากมายอะไรนัก ก็เลยเลยตามเลยพากันตัดไหวต่อก็พากันตัดไปได้สักพักหนึ่งบรรยากาศป่ารอบข้างมันก็เงียบเงียบจนผิดสังเกตถั้งฝ่ายพ่อซึ่งใจคอไม่ค่อยดีอยู่แล้วก็มองไปรอบๆบกายและทันใดนั้นในความเงียบงันนั้นเองก็ปรากฏร่างเจ้าเสือลายพาดกรอนตัวใหญ่ตัวหนึง่งไม่รู้มาจากทางไหนและโดยที่ไม่ได้ให้ซุ่มให้เสียงเจ้าลายพาดกรอนตัวใหญ่นั้นกระโจนเข้าตะปบเจ้าหนุ่มลูกชายทันทีจากภาพที่หินจะจะและขาตาอย่างนั้นก็ทําให้พ่อตกใจมาก รีบคว้า ม, มีดตัดหวยในมือคว้างใส่เสือทันทีคว้างไปสุดแรงได้ยินแต่เสียงดังปึ๊บไม่รู้เหมือนกันว่าโดนส่วนไหนแต่จะาไหลพัดกรอตัวนั้นมันอาจจะได้รับบาดเจ็บหรือว่าตกใจก็ไม่อาจทราบได้มันหยุดชะงักกึแล้วรีบกระโดดแผ่นแผวหายไปในราวป่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นรวดเร็วมากเมื่อฝ่ายพ่อหายตกใจและสติหันไปมองลูกชายมันก็สายไปเสร็จแล้วจะหนุ่มลูกชายตอนนี้ก็เหลือแต่ร่างที่ไรวิญ ญ, ญาณ ไม่เห็นดังนั้นตัวพ่อก็รู้สึกเสียใจมากกับเรื่องราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่ตัวเองก็ทําอะไรมากไม่ได้นึกทบทวนถ้ากลับไปตั้งแต่ตอนนั้นก็คงไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เสียใจก็เสียใจแต่ต้องมีสติรีบเดินกลับเข้าหมู่บ้านเพื่อไปขอแรงเพื่อนบ้านให้ไปช่วยกันหามศพลูกชายกลับเข้าหมู่บ้านเมื่อเพื่อนบ้านได้รู้ข่าวในบรรดาเพื่อนบ้านนั้นก็มีลุงอยู่คนหนึ่งท่าทางจะมีดีอยู่ไม่น้อยแกชื่อว่าเสียนปกแกพูดว่า นี่เสือมันจะเข้ามาหากินไกลหมู่บ้านขนาดนี้ปล่อยไว้ไม่ได้แล้วดังนั้นทั้งชาวบ้านทั้งพ่อที่เพิ่งสูญเสียลูกชายไปก็ประชุมและก็ตกลงกันว่าจะนั่งซากโดยที่มีศพของลูกชายเป็นเหยื่อเพราะโดยปกติแล้วเสือถ้ามันกัดเหยื่อตายแล้วมันจะต้องกลับมากินอีกแน่ๆและในกลุ่มชาวบ้านสี่ห้าคนที่จะนั่งซากในวันนั้นก็มีลุงเสียนโป๊กรวมอยู่ด้วยเมื่อทั้งกลุ่มนั้นเดินทางเข้าไปถึงจุดที่เกิดเหตุ แต่ด้วยว่าบริเวณ ร, บรอบๆนั้นไม่มีต้นไม้ใหญ่พอที่จะกัดห้างซุ่มสัตว์อยู่เลยจึงได้ผ่าการตัดหวายมาทําเป็นสุ้มครอบจุดที่ตัวเองจะซุ่มซึ่งระยะนั้นก็ห่างออกจากศพพอสมควรแต่ก็ยังอยู่ในระยะที่หญิงได้ถนัดทํากันอย่างแน่นหนาถือว่าเสือตัวนั้นไม่เห็นและกระโจนคข้ามาอย่างน้อยมันก็ต้องติดหนามของหวายก่นละมันฝ่าเข้ามาไม่ได้ง่ายๆแน่เมื่อทํำซุ้มกันเรียบร้อยแล้วต่างคนต่างก็เข้าที่กําบังของตัวเอง และเมื่อพระอาทิตย์ตกดินได้ไม่นานความมืดก็เริ่มคืบคลานเข้ามาปกคลุมเทียนละน้อยทุกคนตั้งอยู่ในสมาธิอันแน่วแนว่สายตาจ้องฝ่าความมืดออกไปเพื่อมองสิ่งที่ผิดปกติสายตาพ่อที่มองเห็นศพลูกชายท่ามกลางความสลัวก็ยิ่งปวดร้าวซากล่อเสือก็คือศพของลูกชายที่ตอนกลางวันยังตัดหวายกันอยู่ระหว่างที่ทุกคนกําลังซุ่มกันเงียบอยู่นั้นพลานก็มีเสียงเสียงหนึ่งเกิดขึ้น มันเป็นเสียงสูบสาบที่เข้ามาจากหลายทิศทางเสือมันต้องเป็นเสียงเสือแน่ๆมันกําลังกลับมาแต่มันน่าแปลกเพราะจากเสียงมันไม่ได้มาแค่ตัวเดียวแล้วสิ่งที่คิดก็เป็นจริงมีเสือนับสิบตัวกําลังเดินออกมาจากสมทุมพุ่มหม้ ร, บรอบๆและเมื่อทุกคนที่นั่งซุ่มอยู่บัดนี้มีความรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วหนึ่งในนั้นก็ลั่นไกยิงปังแล้วก็ตามมาอีกหลายปังหญิงแล้วก็บรรจุกระสุนบรรจุกระสุนแล้วก็ยิง ยิงไปแล้วก็ช่วยกันยิงไปแต่ไม่น่าเชื่อยิงเท่าไหร่ก็ไม่โดนมีนำซ้ำเจ้าเสือที่เห็นนั้นตอนนี้มันกำลังเดินใกล้เข้ามากันเรื่อยๆลุงเสียนโป๊กเห็นดังนั้นแกก็บึ้มพับออกมาว่าเนี่ยมันไม่ใช่เสือธรรมดาซะแล้วก ร, รีรยัดดินปืนเข้าปากกระบอกปืนขนาดใหญ่ตามด้วยลูกโดที่ใหญ่พอดีกับรูลูกปืนขอบรรจุกระสุนเสร็จแกก็ยกปืนขึ้นพนมมือท่องบุญกระถาปากขมุบขมิบ ไม่กี่อึดใจแกก็ใช้ทั้งเหล็กที่ยัดกระสุนปืนปักลงดินสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นทัในใดที่เหล็กปักลงไปพวกเสือที่เห็นออกมากันนับ10บสตัวก็อันตรธานหายไปเหลืออยู่เพียงตัวเดียวเท่านั้นลุงเซนโป๊แกไม่รอช้ายกปืนขึ้นประทับบ่า พ, พร้อมทั้งลั่นไกปงังสนั่นลื่อนลั่นไปทั้งป่าดินปืนขนาดใหญ่ลูกโดดขนาดใหญ่ที่ยัดเข้าไปพอดีกับรูกระสุนปืนของปืนแก๊ปก็ทํางานของมันโดยพุ่งเข้ากลางแสกหน้า จะเสือลายพาดกลอนล้มลงทันทีกลือกลิ้งชักกระตุกอยู่ 2-3 าทีก็แน่นิ่งไปทุกภาพที่เห็นทุกเหตุการณ์ที่ผ่านไปมันไวมากแต่มันก็ยาวนานสำหรับคนที่อยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นสรุปคืนนั้นชาวบ้านก็พากันหามทั้งศพคนและศพเสือเข้าหมู่บ้านไปจากเรื่องนี้เมื่อเข้าป่าก็ควรเคารพกฎของป่ากันด้วยนะครับรู้ไว้ก็ไม่เสียหายอะไรจะได้ระมัดระวังตัวกันไว้ได้ เข้าป่าทุกครั้งก็จะได้ไม่พลาดพลั้งเผลอเรอไปทําอะไรผิดป่าจนทําให้ตัวเองหรือทั้งคณะที่ไปด้วยต้องเดือดร้อนครับแล้วเรื่องราวจากคุณพงพัฒนก็จบลงแล้วนะครับแอนแ น, แน่รู้สึกว่ามันสั้นไปใช่ไหมครับไหนๆก็เข้าป่ากันแล้วเอาเป็นว่าไปฟังเรื่องราวจากคุณวัชรพลกันต่ออีกสักเรื่องดีกว่าครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2530ณหมู่บ้านลืมบองอําเภอม่วงจังหวัดสกลนคร ที่จริงแล้วณนะปีนั้นช่วงนั้นหมู่บ้านแห่งนี้ความเจริญก็เข้าไปถึงแล้วถนนหนทางก็กําลังพัฒนา ม, มาจากถนนลูกรังมาเป็นถนนยางมาต้อยมีรถประจําทางจากอุดรสู่บึงการวิ่งผ่านทุกวันแม้ความเจริญจะเข้าไปถึงแต่คนในหมู่บ้านนี้ส่วนใหญ่ก็ยังมีความเชื่อเรื่องผีผีสางๆกันอยู่มากจะเชื่อกันว่ามันเป็นวัฒนธรรมความเชื่อที่สืบสานกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายนั้นก็คงไม่ผิดทีนี้เราก็เข้าเรื่องกันเลยดีกว่า สิ่งที่เกิดขึ้นให้เห็นตำตานั้นมันคืออะไรเรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่ามีอยู่คืนวันหนึ่งและคืนวันนั้นอากาศก็ปกติทุกอย่างแต่เป็นคืนวันแรมทำให้หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านนั้นตกอยู่ในความมืดที่เข้ามาครอบคลุมผู้คนก็เข้านอนต่หัววันกันทำให้ภายในหมู่บ้านนั้นมีแต่ความเงียบน า, นานทีจะมีเสียงหมาบนเห่าท้ายหมู่บ้านแม้แต่เสียงลมที่เคยพัดใบมะม่วงก็ไม่มีมันเงียบจริง ทำให้คนในหมู่บ้านมีความรู้สึกที่ไม่แตกต่างกันมากนะักด้วยเพราะว่ารับรู้กันได้ถึงความผิดปกติของบรรยากาศในหมู่บ้านวัวที่ใต้ถุนบ้านซึ่งมีจํานวนเกือบ50ตัวในคืนวันนั้นไม่ยอมเดินเพ่นพ่านอย่างเช่นทุกคืนเหมือนว่ามันกําลังนอนนิ่งอยู่แบบเงียบๆจะมีให้รู้สึกได้ว่ามันอยู่ก็มีแต่เสียงลมหายใจของมันเท่านั้นเหมือนกับว่ามันจะรู้ว่ากําลังมีอะไรจะเกิดขึ้นในหมู่บ้านอย่างนั้นแหละเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจากหัวค่าอันเงียบสงัด กลายเป็นเวลาสองยามเกือบจะเข้าตีหนึ่งความเงียบก็ได้ถูกทําลายลงไปพลานมีเสียงฝีเท้าของม้าประมาณ2 0่สถึงสาตัวกําลังวิ่งหย่อลงเท้านักหนักวิ่งรอบหมู่บ้านทั้งยังมีเสียงคนเดินเท้าดังสวบๆมาตามถนนในหมู่บ้านเสียงเหมือนมันเดินกันเป็นกลุ่มและบางครั้งมันก็หยุดเดินเหมือนกับว่ากําลังยืนเงียบๆแล้วก็มีเสียงลมอื้อๆพัดไปมะม่วงหน้าบ้านแล้วมันก็หายไป สิ่งมาวิ่งรอบหมู่บ้านนั้นมีทั้งคืนแต่ก็ไม่มีใครกล้าลุกขึ้นไปดูก็ได้แต่รับรู้ถึงความรู้สึกว่ามันได้เกิดสิ่งไม่ดีไม่งามขึ้นกับหมู่บ้านที่เคยสงบสุขมาช้านานแล้วคราวนี้ก็คงจะมีผู้คนล้มตายกันรวมถึงวัวถึงควายที่เลี้ยงไว้ด้วยความผิดปกติที่ทุกคนรับรู้ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนทุกคนจะคิดถึงประสบการณ์เรื่องราวในอดีตที่คนแก่เคยเล่าให้ฟังพอเวลารุ่งเช้ามาถึง คนในหมู่บ้านต่างก็มานั่งชุมนุมกันคุยกันถึงเรื่องราวเมื่อคืนที่ผ่านมาคุยกันไปคุยกันมาก็สรุปว่าทุกคนได้ยินเสียงทั้งหมดเหมือนกันทั้งเสียงคนเสียงม้าวิ่งรอบหมู่บ้านแม้แต่ผู้ใหญ่บ้านอย่างผู้ใหญ่นรงุงก็ยังไม่ยอมออกความเห็นเพราะว่าตัวก่เองก็เคยได้ยินเรื่องราวที่คนทั้งคนแก่เล่าให้ฟังมาเหมือนกันหลังจากการประชุมกันสรุปว่าจะต้องมีการจัดเบญยามเพื่อเฝ้าหมู่บ้านขึ้นช่วยกันสอดส่องดูแล แต่ก็ไม่มีใครยอมอยู่ยามกันเลยเนื่องจากว่าต่างคนต่างก็กลัวเจ้าของเสียงประหลาดนั้นซึ่งก็น่าหินใจแ ล, และเวลาของข้าคืนต่อมาก็มาถึงแม้จะไม่มีใครเข้าเว่นยามทุกคนในหมู่บ้านก็เตรียมพร้อมปืนผ่าหน้าไม้ของดีอะไรที่หลวงพ่อให้มาอะไรๆก็งัดออกมาห้อยคอหรือแม้ก็ติดกระเป๋าเสื้อไว้เพื่อความไม่ประมาทพูดง่ายๆว่าหลวงพ่อของใครขลังไม่ขลัง ก็จะได้รู้กันในคราวนี้แหละสิ่งที่แปลกอีกอย่างก็คือไม่ปรากฏรอยเท้าหมาและรอยเท้าคนที่เดินรอบหมู่บ้านเลยทั้งๆ ท, ที่เดินกันเสียงดังมากและก็เดินทั้งคืนเหมือนแค่มาเตือนให้รู้ว่าพวกมันจะมาบุกแต่ยังไม่ทำอะไรก่อนจะให้พูดภาษาตกเลงก็คือว่าขู่นั่นเองและเวลาก็ผ่านไปจนรุ่งเช้าอีกวันโดยที่เมื่อคือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น วันนั้นทั้งวันใครมีอะไรที่เป็นเครื่องรางของขลังก็จะนำไปติดกันที่หน้าบ้านบ้างห้อยคอกันบ้างคนที่เคยพูดว่าไม่กลัวผีก็พลอยฟ้าพลอยฝนทำไปด้วยเห็นชาวบ้านส่วนใหญ่ทำอะไรกันก็ทำตามกันไปต้อยๆโดยไม่มีเสียงขานสักคำก็ตะวันตกดินใครมีวัวมีควายก็รีบไปไล่ต้อนเข้าคอกตัวหัวค่ามีหมูก็รีบให้อาหาร แม้แต่เจ้าของหมาเฝ้าบ้านบางคนก็ยังเอาตะกรุดไปห้อยคอพวกมันเพราะกลัวผีจะมาหักคอมันเข้าเลยต้องคุ้มครองเอาไว้ก่อนหัวใจของคนในหมู่บ้านเวลาค่ำคืนต่างเต้นไม่เป็นจังหวะกันเพราะมีทั้งความตื่นเต้นและความหวาดกลัวว่าคืนนี้จะมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นกับคนและวัวควายในหมู่บ้านหรือเปล่าเวลาของค่ำคืนผ่านไปอย่างช้านอนไปก็ระแวงไปคืนนี้มันก็ช่างเงียบเหลือเกิน เงียบเหมือนคืนที่ผ่านมาแต่มันน่ากลัวกว่ามากเพราะว่าคืนแห่งความระทึกก็มาถึงแล้วอีกครั้งหนึ่งท่ามกลางความเงียบของหมู่บ้านที่เงีย บ, บมากทุกคนต่างก็รอฟังเสียงฝีเท้าหมาหนึงเดินของผู้พูดผีพีสาดไม่มีใครในหมู่บ้านนอนหลับนอกจากเด็กเพราะทุกคนก็ได้แต่เฝ้ารอเสียงประหลาดว่าจะมาอีกไหมจะมาอีกหรือเปล่าสิ่งที่ทาให้ทุกคนทรมานใจก็คือ การปวดฉีที่ไม่มีใครกล้าลงมาจากบ้านสมัยนั้นส้วมในตัวบ้านยังไม่มีจะมีส้วมดีหน่อยก็แค่ที่บ้านกับผู้ใหญ่บ้านหลังเดียวบ้านไหนที่ไม่มีก็ได้แต่อาศัยป่าละเมอะเท่านั้นแหละการรอคอยเสียงผ่านไปอย่างช้าชาง่วงก็ง่วงแต่ก็ต้องทนเอาไว้ใกล้ๆเช้าค่อยนอนก็ได้และเมื่อเวลาผ่านไปถึงสองยามเศษอันเป็นเวลาเดิมของคืนที่มีเสียง ก็ปรากฏว่ามีเสียงหมาวิ่งเข้ามาที่หมู่บ้านเป็นฝูงรู้สึกได้ว่าคราวนี้มันมามากกว่าเดิมเสียงคนเป็นกลุ่มเดินเข้ามาขาเ e ว่ารวมๆแล้วนับเป็นจํานวนร้อยคนที่มีบ้านเรือนอยู่ติดกับทางเดินก็จะแง้มประตูออกมาดูทั้งทั้งที่บรรยากาศข้างนอกบ้านมันมืดแต่สายตานั้นก็ยังพอมองเห็นเงาตะคุ่มตะคุมลักษณะเหมือนพวกทหารมาเงาตะคุ่มะคุมที่เดินเท้าก็พากันเดินสุบสบเต็มพื้นไปหมด ในขณะนั้นเองสิงนกแสกก็ร้องดังฝอกความมืดไปอย่างน่ากลัวนกแสกนี้ตามความเชื่อของชาวบ้านเรียกว่านกผีเมื่อใดที่เห็นมันเข้าหมู่บ้านก็จะเกิดภัยพิบัติจะมีคนล้มตายคืนนั้นจะพวกทหารผีกับกลุ่มวิญญาณดําตะคุ่มตะคุ่มพากันเดินดรอบหมู่บ้านทั้งคืนเสียงเดินย่ําเท้าของพวกมันทั้งหมาและคนดังสนั่นทุกคนได้ยินแต่ก็ไม่กล้าทําอะไรได้แต่นั่งฟังด้วยใจระทึกเมื่อเวลาใกล้สว่าง พวกมันก็เดินหายไปทางวัดทุ่มซึ่งเป็นวัดร้างมานานนับห6 0ปีแล้วและในคืนที่เพิ่งจะผ่านไปนี้เองมันอาชีวิตของวัวและควายไปอย่างไม่มีสาเหตุเนื่องจากตอนหัวค่ำก็ย่งเห็นยังวิ่งกันอยู่แต่ตอนเช้ามันก็นอนตายตาเหลือกถลนดกมันนอกเบ้าที่ซากมันมีรอยช้ำที่คอถึงสองตัวชาวบ้านลงความเห็นกันว่าโดนผีหักคอไม่เหตุการณ์ที่ไม่เคยพบเคยเห็นนี้เกิดขึ้น ทำให้ทุกคนนึกถึงหมอผีแต่ก็ไม่รู้ว่าจะหาหมอผีที่ไหนกันเนื่องจากว่าเมื่อความเจริญเข้ามาวิชาหมอผีก็เลิกกันมานานแล้วอาชีพหมอผีก็หมดไปนอกจากพระสงฆ์ที่วัดเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งสุดท้ายในขณะที่กําลังปรึกษากันอยู่ก็มีคนวิ่งมาบอกว่าทิดลมเป็นอะไรไม่รู้จู่ๆก็หล้มตึงลงแล้วก็ลุกขึ้นมาทําตาลุกวาวน่ากลัวที่สุดทุกคนในที่นั้นจึงได้รีบไปดูและเมื่อไปถึงสิ่งที่เห็นก็คือ ทิดลมตอนนี้สายตาแข็งกร้าวยังไม่กลัวเกรงใครทั้งนั้นจ้องทุกคนที่มามองมุงดูแล้วก็ทำให้ทุกคนไม่กล้าที่จะมองหน้าทิศลมกลับทิดลมคนนี้เป็นที่รู้จักกันดีทั้งหมู่บ้านว่าเป็นคนไม่ค่อยพูดเป็นคนพูดน้อยและไม่เคยทำอะไรแผลงๆให้เห็นเลยสักครั้งพวกมึงไม่เหตุการณ์ตอนรับผูกกูผูกมึงรู้ไหมผูกกูหิวมานานอยากจะกินเลือด นี่คือคำพูดที่เปล่งออกมาจากปากทิดลมแม้แต่ผู้ใหญ่ยังถอยกรูออกมาตั้งหลักเพราะไม่เคยเห็นรวมทั้งสายตาอันเกรียกราที่น่ากลัวอย่างนั้นผูกกูมากันสองวันแล้วผู้กูเพิ่งไดกินเลือดเมื่อคืนนี้เท่านั้นผูกกูต้องการกินและพวกแกมาจากไหนเป็นใครผู้ใหญ่ถามพอได้สติฮ่าฮ่าฮู่้กูมาจากป่าดงใหญ่ตอนนี้มาพักอยู่ที่วัดทุง พวกกูรอกันอยู่เท่านั้นพวกกูต้องการกินเลือดวัวและควายอย่างละฝูงอย่างนั้นเห็นจะต้องปรึกษากันก่อนผู้ใหญ่บอกไปพวกกูต้องการเดี๋ยวนี้ไม่งั้นกูจะเอาชีวิตของเจ้าทิศนี้ไปด้วยสิ้นเสียงเท่านั้นแหละทุกคนขนลุกสู้งั้นตกลงจะจัดวัวและควายอย่างละฝูงแต่ชีวิตทิศลมขอนะก็ได้ห้ามผิดสัญญานะแต่ต้องเป็นวันนี้พวกกูรอไม่ไหวแล้ว แล้วอีกอย่างถ้าพวกมึงไม่ทําตามสัญญาพวกกูจะกินวัวควายและรวมทั้งชีวิตของพวกมึงด้วยพอพูดจบทิดหลมก็หลมตึงและแน่นิ่งไปครู่หนึ่งจากนั้นก็ลุกขึ้นมาทําหน้าตื่นๆ่นมองหน้าคุณโนนทีคุณนี้ทีแต่ก็ไม่มีใครอธิบายอะไรให้ทิดหลมรู้ว่าต้องจัดการวัวและควายไปสังเวยพวกผีผที่วัดทุ่งตามสัญญาแต่ว่าจะเอาวัวควายที่ไหนใครจะสละวัวควายเป็นจํานวนมากขนาดนั้น ฝูงหนึ่งอย่างได้น้อยก็10บตัวขึ้นไปมีเสียงแนะนําจากคนในหมู่บ้านว่าให้ไปปรึกษาหลวงพ่อที่วัดดีกว่าทุกคนเห็นดีด้วยเมื่อไปถึงก็เล่าเหตุการณ์ให้หลวงพ่อท่านฟังอันที่จริงแล้วหลวงพ่อท่านก็รู้หมดแล้วแต่แค่รอยชาวบ้านมานิมนต์หรือไม่ก็มาปรึกษาเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นหลวงพ่อท่านก็แนะนําให้ปั้นหุ่นวัวหุ่นควายอย่างละฝูงได้ดินเหนียวเพื่อส่งไปให้วิ ญ, ญญาณป่าทั้งหลายได้กินสมใจ แต่ต้องมีวิธีเส้นตามประเพณีบรรดาผีผีจึงจะได้รับพร้อมกันนั้นหลวงพ่อท่านก็แผ่เมตตาให้กับพวกวิญญาณผีป่าทั้งหลายอีกด้วยเพื่อช่วยปลดปล่อยให้ไปผุดไปเกิดไม่ต้องมาเร่ร่อนกันอีกต่อไปก็ปรากฏนับแต่วันนั้นมาเสียงม้าและเสียงคนเดินก็หายไปไม่มีอีกเลยจนทุกวันนี้เรื่องราวทั้งหมดก็จบลงอีกแล้วครับท่านก็หวังว่าคลิปนี้2เรื่องคงจะเพียงพอนะครับต้องขอขอบคุณคุณพงพัฒน์กับคุณวัชรพลมากๆนะครับ